กัเลนพรท่านทุกมีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2560ตามธรรมเนียมของชาวต่างประเทศวันนี้เขาเรียกว่าวันหลอกลวง ขอให้ทราบว่าทำที่แสดงวันนี้ไม่ได้หลอกลวงเป็นของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ฝรั่งเขาจะหลอกกันเขาจะบอกว่าคุณได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขอให้รีบมารับรางวัลพอเชื่อเขาก็เลยหัวเลาะกากวันนี้เขาเป็นวันที่เปิดโอกาสให้หลอกลวงกันได้หนือวันเพราะฉะนั้นญาติโยมระวังหน่อย เดี๋ยวใครเขามาพูดอะไรหลอกเร า, เ, ราเดี๋ยวเราจะเชื่อเขาแล้วก็จะถูกเขาหัวเราะยอ uh, yeah. ะเอาเวลาฟังอะไรพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ฟังด้วยใจที่มีเหตุมีผลใจเป็นกลางคือฟังหูไวห้หูฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธ ือให้เราฟังรับทราบไว้เราให้เรานำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปพิสูจน์ก่อนเช mm hmm. ่นก็บอกว่า mm hmm. คุณได้ถูกวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราก็ต้องอย่าเพิ่งเชื่อ mm hmm. เดี๋ยวเชื่อแล้วก็บอกว่าวิธีที่จะขึ้นรางวัลที่หนึ่ง mm hmm. ต้องจ่ายเงินเขามาก้อนหนึ่งก่อนแล้วเขาก็จะบอกวิธีไปขึ้นรางวัลให้ ถ้าเราเชื่อเขาเราก็จ่ายเงินให้เขาไปแล้วเขาก็บอกวิธีพอเราไปขึ้นเงินตามที่เขาบอกก็ไม่มีไม่มีที่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นระวังยุคนี้เป็นยุคหลอกลวงคนชอบหลอกลวงกันทางโทรศัพท์ทางข้อความต่างๆคุณได้นูน่นได้นี่ขอให้โอนเงินมาที่บัญชีนี้บัญชีนั้นให้เราโลภมากพอกิดว่าได้จริงๆ ก็เลยโอนเงินให้เขาไปถูกหลอกยัต้องระมัดระวังเขาจะให้เราก่อนที่เราจะให้เขาเราต้องเอาของเข้ามาดูก่อนว่าเป็นของจริงหรือของปลอมถ้าเป็นของจริงแล้วให้เงินไปแล้วคุ้มค่าไม่ขาดทุนค่อยให้เขาไปนี่คือหลักของพระพุทธศาสนาเวลาฟังอะไรให้ฟังด้วย ใหที่เป็นกลางอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิเสธฟังแล้วเอาไปพิสูจน์ถ้าพิสูจน์แล้วเป็นอย่างที่เขาพูดเราก็จะได้รู้ว่าเป็นความจริงถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดเราก็จะได้รู้ว่าเป็นของหลอกของปลอมอันนี้คำสอนของพระเจ้าก็แบบเดียวกันถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์ ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ตามแต่พวกเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นเราต้องเอาไปพิสูจน์คือเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นจะรู้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้โบราณเขามีพูดไว้ว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นใครก็จะพูดอะไรบอกเราอย่างไร ก็ไม่สู้เราไปเห็นกับตาของเราถ้าเห็นกับตาของเราแล้วนี้เราจะเชื่อได้ร้อยเปอร์ซนตแต่ถ้าเขาบอกเราแล้วเราฟังไปงก็จะพูดยังไงมากน้อยเพียงไรเราก็ยังสงสัยอยู่นันเราก็ยังไม่รู้จริงๆว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าดังนั้นขอให้เราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติ เราถึงจะรู้ถึงจะได้เห็นอย่างเป็มที่แล้วความสงสัยต่างๆจะหายไปหมดาการฟังก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่รู้เรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แต่เมื่อฟังแล้วยังไม่ทำให้เราเห็นหรือรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเพียงแต่ได้ยินได้ฟัง ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกับท่านทั้งหลายที่ไม่เคยมาวัดยานมาก่อนถ้าท่านได้อ่านหนังสือได้ดูอะไรรูปภาพทำโฆษณามันก็ยังไม่เหมือนกับมาที่วัดมาที่วัดนี่มันจะเห็นชัดเจนกว่าดังนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นพระธรรมอันประเสริฐขนาดไหนก็ตาม เรายังต้องพิสูจน์กันแต่เราสามารถเชื่อได้ในระดับเบื้องต้นเชื่อแบบคนใกล้เชื่อหมอเชื่อยาเวลาเราไม่สบายเราไปหาหมอหมอก็ให้ยามารับประทานเราก็ต้องเสี่ยงแนละ้วว่ายาที่หมอให้มานี้ว่าจะรักษาให้เราได้หรือไม่ถ้าเรากลัวว่าเป็นยาที่กินแล้วทําให้เราตาย เราก็จะไม่กล้ากินดังนั้นเราก็ต้องเชื่อหมอว่าหมอเขาคงจะไม่ให้ยาพิษเรามากินเพราะถ้าเป็นหมอที่ให้ยาพิษมากินบ่านี้เขาเขาคงจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปแล้วเพราะต้องมีคนอื่นที่โดนยาพิษมาก่อนแล้วก็ไปแจ้งความแล้วก็จับไปขังคุกขังตารางพระพุทธเจ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้น เป็นเหมือนยาของหมอพระพุทธเจ้านี้ให้ยานี้มากับคนไข้มากมายก่ายกองแต่ไม่มีคนไข้คนใดล้มตายไปเพราะการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือชิบหายวายวอดไปกับการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ได้รับความสุขได้รับความเจริญกันและเป็นผู้มาเป็นสักขีพยาน มารับรองทาสอนของพระพุทธเจ้ากันเป็นจํานวนมากบุคคลเหล่านี้เราเรียกว่าพระอาหารหันตสาวกท่านเป็นเหมือนคนไข้ยอย่างพวกเราตอนนี้เราเป็นเหมือนคนไข้แต่ท่านได้รับยาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปรับประทานพอรับประทานยาแล้วท่านก็ถายจากโรคภัยไข้เจ็บ ต, ต่างๆโรคของพวกเรา ก็คือโรคใจคือความทุกใจต่างๆความทุกขที่เราทุกกันอยู่ทุกวันนี้เป็นโรคที่เราสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการรับยามาจากพระพุทธเจ้ามารับประทานมีผู้ที่ได้รับยามาแล้วและรับประทานแล้วจนสามารถกํำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หายหมดไปได้แล้ว ท่านเหล่านี้เราเรียกว่าพระอรหันตสาวกเมื่อก่อนท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามีความทุกข์มีความวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆแต่พอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติท่านก็สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือสิ่งที่เรา พอที่จะเชื่อได้เพราะถ้าเป็นคําสอนที่ผิดเป็นคําสอนที่เป็นภัยอันตรายต่อผู้ปฏิบัติจะต้องมีผู้มาประกาศบอกพวกเราก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่มาออกมาประกาศว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตใจของพวกเรามีแต่มาบอกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ ต่อจิตใจของพวกเราทำให้พวกเรานี้ไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาวุ่นวายไม่ต้องมาเดือดร้อนไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นเราจึงสามารถเชื่อได้ในระดับหนึ่งเหมือนกับเราเชื่อหมอที่โรงพยาบาลว่าหมอนี้เขาจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้เราหายได้เพราะไม่มีใครมา บอกว่าหมอคนนี้โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นอันตรายไม่ควรที่จะไปรักษามีแต่คนบอกว่าดีโรงพยาบาลนี้ไปแล้วรักษาแล้วโรคภัยไข้เจ็บหายได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าโรคภัยของเราจะหายได้จากการไปรักษาที่โรงพยาบาลนี้หรือไม่เราก็ต้องไปพิสูจน์ดูเวลาไม่สบายก็ไปหา หมอที่โรงพยาบาลนี้แล้วทำตามที่หมอสั่งหมอให้กินยาก็กินยาหมอให้ผ่าตัดก็ผ่าตัดพอได้รับการดูแลรักษาจากหมอแล้วเราก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ต, ต่อไปเราก็จะไม่สงสัยในโรงพยาบาลนี้ในหมอที่อยู่โรงพยาบาลนี้ว่าจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับเราได้หรือเปล่าฉันใด เราตอนนี้ก็เชื่อในระดับหนึ่งว่าเชื่อว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นข้าพ ร, รมคำสอนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงที่เราเรียกว่าสวัสดคาโตภะกวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วชอบแปล ว, ว่าถูกต้องตามความเป็นจริง <c oughs> เช่นทรงสอนว่านลกมีจริงสวรรค์มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายมีจริงหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการพัาดพลางจากกันมีจริงสามารถทำได้ทำให้เกิดขึ้นมาได้นี่คือความจริงที่เรายังต้องพิสูจน์อยู่เพราะตอนนี้เรายัง มีความทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเรายังไม่รู้ว่าตายไปแล้วเราจะไปไหนเราจะกลับมาเกิดใหม่หรือไม่เราก็ไม่รู้เราจะไปสวรรค์หรือเราจะไปนรกเราก็ไม่รู้เราจะหยุดการเวทว่ายตายเกิดได้หรือไม่เราก็ยังไม่รู้ดังนั้นเราต้องเข้าหาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า จะสอนวิธีที่จะทำให้เราได้ไปสวรรค์กันไม่ต้องไปนรกกันให้เราไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดกันให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังทุกข์อยู่ในขณะนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อคําสอนแล้วลองเอาไปพิสูจน์ดู คำสอนก็สอนไว้สามขั้นใหญ่ๆขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานคือให้การเสียสละการแบ่งปันความสุขของเราประโยชน์ที่เรามีทรัพย์สมบัติเข้าของที่เรามีที่เราสามารถแบ่งปันได้เราก็ไม่ควรเก็บเอาไว้เพราะว่าตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากเข้าของเงินทองถ้าเราเก็บไว้เฉยๆ แต่ถ้าเราเอามาแบ่งปันกันเอามาช่วยเหลือกันเอามาดูแลสงเคราะห์กันเราจะได้ประโยชน์สองระดับประโยชน์แรกก็คือเราจะมีความสุขใจระดับที่สองผู้ที่รับเขาก็ได้รับประโยชน์เขาก็จะมีความรักความชอบเราเขาก็จะมาเป็นมิตรกับเราเราจะได้มิตรเราจะไม่ได้สัตว์ปู จะทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องหวาดระแวงภัยต่างๆที่เกิดจากการกระทาของผู้อื่นเพราะผู้อื่นจะไม่มีใครคิดร้ายกับเราพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ทำบุญทมทานนี้จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขในขณะที่ตื่นและขณะที่หลับ เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะไม่ถูกทำร้ายด้วยสัตววุธหรือยาพิษต่างๆเวลาตายไปก็จะไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปอบายจะไปสวรรค์แล้วถ้ากลับมาเกิดใหม่ก็จะมีชีวิตที่ดีกว่าที่เรามีอยู่เพราะบุญหรือทานที่เราทำนี้เป็นเหมือนเงินทองที่เราฝากไว้ในธนาคาร พอเรากลับมาเกิดเราก็จะมีเงินทองบวกดอกเบี้ยที่เราได้ฝากไว้ในธนาคารบุญทำให้เรามาเกิดมีฐานะที่ดีไม่อดอยากขาดแคลนนี่คือทำขั้นที่หนึ่งที่สอนให้เราทำเพื่อป้องกันให้เราไม่ต้องไปอบายกันถ้าเราทำบุญแล้วเราจะไม่ชอบทำบาทนั่นเองเราจะไม่ทำบาศ จะทำให้เราสามารถเข้ามาสู่ทำระดับขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลรักษาศีล น, นี้คือรักษาศีล8ไม่ใช่รักษาศีลห้าเพราะการทาบุญทาทานนี้เราก็รักษาศีลห้าไปในตัวแล้วเพราะคนที่ทาบุญนี้จะไม่ชอบทำให้คนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดตัวเอณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มสุรายาเมานี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทําบุญทําทานจะทําให้ใจเรามีความเมตตาจะมีความปรารถนาดีกับผู้อื่นจะไม่ชอบทําร้ายผู้อื่นจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น <c oughs> ก็เลยทําให้เรามีศีลห้าขึ้นมาโดยอัตโนมัติ <c oughs> แล้วเมื่อเรามีศีลห้าแล้ว ก็ทำให้เรามีกำลังที่จะก้าวขึ้นสู่ทำขั้นที่สองคือการรักษาศีลของนักบวชได้ศีลของนักบวชคืออะไรก็คือศีล8ศีลส0ศีลสองเเป็นต้นนี่เป็นศีลที่เป็นของนักบวชทำไมเราต้องรักษาศีลเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราอยากที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิด ยุติการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเราจะต้องมีเวลาไปปฏิบัติทำขั้นที่สคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาการจะบำเพ็ญจิตตภาวนาได้เราต้องไม่มีภารกิจอย่างอื่นเราจึงต้องไปบวชกันไปถือศีลแปถือศสิบศีลสอรี่ส2บ ข้างต้นเราก็ไปบวชชั่วคราวก่อนเช่นไปถือศีลแปวันพระวันธรรมดาเราก็ทำงานทำการถือศีลห้าไปแต่พอวันหยุดอย่างวันนี้เราไม่มีธุรกิจไม่มีภารกิจต้องทำเราก็ลองมาอยู่วัดดูเรามาอยู่แบบนักบวชสักหนึ่งวันมาถือศีลแปดไปก่อนศีล8ปดนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถไปทำกิจกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ กับใจของเราคือเช่นศีลข้อสาก็จะเป็นอับรามมะจาริยาแปลว่าจะประพฤติพรหมจรรย์พรมจรรย์ก็คือไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วศีลข้อ6ก็จะมาให้เราหยุดการรับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอรับประทานแค่เที่ยงวันก็พอแล้ว เพราะหลังจากนั้นเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมถ้ายังรับประทานอยู่เราก็ยังต้องมารออาหารเย็นกันก็จะไม่ก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติได้อย่าง mm hmm. เต็มที่เราก็เลยกำจัดเรื่องกินอาหารเย็นไปแล้วถ้ากินอาหารเย็นมันก็จะทำให้เราง่วงนอนอีกจะทำให้เราขี้เกียจไม่อยากจะจปฏิบัติอีก ดังนั้นเราเลยต้องไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วศีลข้อที่เจก็เป็นศีลที่จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปดูมหัศลศพบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปงานเลี้ยงไปงานอะไรต่างๆเราจะได้มาวัดได้มาอยู่วัดหรืออยู่บ้านก็ได้ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียว เราก็สามารถปฏิบัติอยู่ที่บ้านได้การปฏิบัตินี้เราต้องการสถานที่ที่สงบไม่มีอะไรมารบกวนถ้าเราอยู่กับคนอื่นเดี๋ยวเขากินข้าวเย็นมันก็จะมารบกวนเราเดี๋ยวเขาเปิดทีวีดูเขาฟังเพลงมันก็จะทำให้เราวุ่นวายใจยั่วนยวนกวนใจเราจะทำให้ไม่มีกระจิตกระใจที่จะมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเราจึงต้อง ละเว้นกิจกรรมเหล่านี้และอยู่ห่างไกลจากบุคคลที่เขาทำกิจกรรมเหล่านี้ถ้าอยู่บ้านคนเดียวได้ก็อยู่บ้านไปถ้าอยู่บ้านไม่ได้ก็มาอยู่วัดกันเพราะถ้ามาอยู่วัดแล้วก็จะไม่มีใครทำกิจกรรมเหล่านี้หลังจากเที่ยงวันแล้วทุกคนก็จะนั่งสมาธิกันอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมกันเดินจงกรมกันจเจริญสติกัน ตอนเย็นก็ลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมกันอันนี้แหละจะเป็นวิธีที่จะทําให้เราหยุดการเวียนไหวาตายเกิดได้เพราะการกระทําเหล่านี้จะทําให้เราไม่สามารถไปทําสิ่งที่เป็นเหตุให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันเหตุที่ทําให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายคืออะไรก็คือความอยากต่างๆเช่นความอยากดูหนังอยากฟังเพลง อยากหาความสุขจากการรับประทานอาหารอยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรา<ม>ความอยากเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้เรากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลาร่างกายตายไปใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายและความอยากของเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากมันอยู่ในใจ มันก็จะดึงใจให้เรากลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่พอเกิดแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทำมาหากินทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพลาดจากกันถ้าเราเห็นว่าการเกิดเป็นความทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากให้ได้หยุดต้นเหตุของการที่ทาให้เรามาเกิด การจะหยุดได้เราก็ต้องไปถือศีลของนักบวชถือศีลแปดแล้วก็ลองมาฝึกเจริญสติควบคุมใจทำใจให้สงบเพราะถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่อยากไม่หิวใจจะมีความสุขมีความอิ่มแล้วถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาเราก็จะไม่ต้องไปทำตามความอยากอีกต่อไป แล้วพอเราไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องไปใช้กรรมในในอบายในนรกหรือไปรับผลบุญในสวรรค์เพราะเราได้ไปถึงพระนิพพานที่เป็นสวรรค์ที่ดีกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะสวรรค์ชั้นต่างๆยังมีวันเสือ่อมมีวันหมดได้แต่สวรรค์ชั้นนิพพานนี้ไม่มีวันหมด ไมถึงพระนิพพานแล้วก็จะอยู่ที่นิพพานไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราควรจะลองทำกันดูตอนต้นก็เอาอาทิตย์ละวันเป็นวันพระวันพระสมัยนี้ถ้ามันไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของเราเราก็เปลี่ยนวันพระมาให้ตรงกับวันหยุดวันพระนี้ไม่จำเป็นจะต้องตรงกับวันขึ้นเจ็ดขึ้นแปดข้ามแรงแปดข้าม หรือสิบห้าค่นะอันนั้นเป็นเพราะสมัยโบราณเขาหยุดทํางานกันในวันพระกันแต่สมัยนี้เราไม่ได้หยุดทํางานในวันพระแล้วเราหยุดทํางานในวันเสาร์อาทิตย์เพราะเราอยู่ในโลกสากลเราต้องติดต่อกับต่างประเทศต่างประเทศเขาหยุดทํางานวันเสาร์อาทิตย์กันถ้าเราทํางานเสาร์อาทิตย์เราก็ติดต่อการค้ากับเขาไม่ได้เราก็เลยต้องปรับวันหยุดของเราจากวันโกนวันพระ มาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นเราก็เลยต้องมาปรับวันพระวันโกนของเรามาให้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างวันนี้วันเสาร์ญาติโยมก็ถือว่าเป็นวันพระเป็นวันมาวัดกันมาทําบุญทำทานมาฟังเทศฟังธรรมแล้วถ้ามีเวลาว่างอยากจะอยู่วัดก็มาอยู่วัดถือศีงแปดแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันมาเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธ หรือสวดมนต์ไปเพื่อควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วพอเราเมื่อยจากการเดินเราก็มานั่งนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็จะมีความสุขจากความสงบจะมีความอิ่มมีความพอ จะไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากทำอะไร <Yeah. S 1> นี่แหละคือวิธีที่เราจะสามารถพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงหรือไม่ว่านาลกสวรรค์มีจริงหรือไม่ <Yeah. S 1> นรกสวรรค์ตามที่พระเจ้าทรงสแสดงก็คือความสุขความทุกข์ที่อยู่ในใจเรานี่แหละที่เป็นนาลกหรือสวรรค์ <Yeah. S 1> นลกอยู่ในอกสวรรค์อยู่ในใจ เวลาเรามีความสุขตอนนั้นเราขึ้นสวรรค์กันเวลาเรามีความทุกข์ใจเวลานั้นเราตกนรกกันนรกไม่ได้เป็นสถานที่ถ้าจะบินขึ้นไปบนท้องฟ้าจะไม่มีวันเจอสวรรค์ถ้าจะดำดินลงไปใต้ดินก็จะไม่เจอนรกเพราะนรกไม่ได้อยู่ที่ท้องฟ้าหรืออยู่ที่ใต้ดินนรกอยู่ในใจของเราเกิดจากการทำบุญหรือทำบาปของเรา เราทําบุญใจเราก็มีความสุขอย่างวันนี้ญาติโยมมาทําบุญตอนนี้ญาติโยมทุกข์รุศุดทำบุญแล้วจะทําให้สุขใจอิ่มใจตอนนี้กําลังอยู่ในสวรรค์แล้วแต่ถ้าไปทาไปําบาปไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์นี้ใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีตอนนั้นก็ไปตกนรกแล้วดังนั้นเราจะสามารถพิสูจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยดูผลที่เกิดขึ้นที่ใจของเรา ถ้าใจเราเย็นสงบมีความสุขไม่มีความอยากนั่นแหละเรากำลังไปสวรรค์เรากำลังไปนิพพานกันถ้าใจเราทุกข์ใจเราร้อนใจเราอยากได้นูน่นอยากได้นี่นั่นแหละเรากำลังไปนรกเรากำลังไปเวียนว่ายตายเกิดกันให้ดูตรงนี้ที่ตรงนี้แหละเป็นที่พิสูจน์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พิสูจน์ที่ตรงไหนลองปฏิบัติ ด, ดูแล้วจะเห็นผล อย่างวันนี้ก็เห็นระดับทานแล้วได้มาทําบุญทําทานมีความสบายใจรักษาศีลห้าไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็สบายใจแต่อยากจะได้ความสบายใจมากกว่านี้อยากจะดูว่าเราสามารถหยุดความอยากได้ก็ลองมาถือศีลแปด ล, ลองมาฝึกนั่งสมาธิกันดูแล้วรับรองได้ว่าจะเห็นผลอย่างแน่นอนเพราะว่ามีผู้ที่เขาปฏิบัติมา ตามที่พระเจ้าทรงสอนและเห็นผลกันมาเป็นจนํานวนมากแล้วพวกเราก็จะได้เห็นผลเช่นเดียวกันเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการลิโกไม่มีวันเสื่อมไปกับการกับเวลาความสอนสมัยที่ทรงสอนในสมัยพุทธกาลมีเหตุมีผลอย่างไรสมัยนี้ก็มีเหตุมีผลเหมือนกันดังนั้นขอให้เรา เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างร้อยเปอร์เซนเชื่อพื่อนำมาไปพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วก็จะเห็นผลอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างแน่นอนแล้วถ้าเราสามารถปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้ออย่างไม่หยุดยอนสักวันหนึ่งเราก็จะได้ไปถึงทาขั้นสูงสุดได้ก็คือไปสู่พระนิพพานเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไป ผลเหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำให้เรามาวัดกันมาทำบุญกันมารักษาศีลกันมาฟังเทศฟังธรรมกันพอเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้วิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรพอเรานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะได้รับผลต่างๆที่เกิดจากการปฏิบัติของเราจึงขอให้ท่านจง มีความมั่นใจมีความศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นความเชื่อที่จะมีคุณมีประโยชน์ที่จะทําให้เรามีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไปตามลําดับจนถึงความสุขความเจริญขั้นสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีะะรัตนไตรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านยังมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณะสุขขาภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ